ใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี่มันรักษายากสักหน่อยแต่ก็ไม่หรอวิสัยเมื่อหากกว่าตนรักตนจริงๆเมื่อรักตัญหายิ่งกลัวตนแล้ว มันก็ต้องตามรักษาตนแหละให้ดีเราต้องแยกออกให้เป็นให้รู้อันใดเป็นตันหาอันใดเป็นพิษอย่างนี้นมันต้องพิษเพ่งพินิษ ด, ดูอย่าไปเอาคุกเข้ากันเข้าเป็นอันเดียว ตัณหาคือความทยานอยากหมายความว่ า, าจิตนั่นแหละมันวิตกวิจารณไปในสิ่งที่มันต้องการความไว่ตกวิจาร์นั่นแหละคือตัณหาดวงจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้อย่างนี้นะถ้าไปยุด เสียไม่วิตกวิจาร์ในเรื่องสิ่งที่มันให้โทษให้ภัยต่างๆนั้นเสียตัณหามันก็ยอมระงับลงก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าตัณหามันจะละไม่ได้ว่าแต่ รู้จักจิตตัวเองนี่สำคัญมากแล้วเมื่อรู้จักจิตแล้วก็น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้ได้นี่สำคัญเมื่อควบคุมจิตได้ตัณหามันก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ออึ่องนั้น เมื่อควบคุมจิตนี้ไม่ได้แล้วมันก็เป็นเหยื่อของตัญหาแหละจิตนี่นะตัญหาก็ชักจูงไปในทางที่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษนั่นเองดังนั้นทุกคนให้พากันรู้จักจิตตัวเองก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยอยู่แล้วจิตคือธรรมชาติรู้ ความคิดออกมาจากความรู้เราจะไปหาเอาอย่างอื่นเป็นจิตเป็นใจไปได้ที่ไหนล่ะมันมีที่ไหนอ่ะอะที่มันมีอิทธิพลต่อร่างกายเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มพูดจาอะไรต่ออะไรได้เนี่ยมันก็เกิดมาจากความรู้สึก นั่นเองนะนี่ความรู้สึกที่อาศัยอยู่หาไทยวัตถุนั้นถ้าความรู้สึกอันนั้นไม่มีแล้วร่างกายอันนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ลองคิดดูสิดังนั้นแหละจิต ค, คือความรู้อันนี้นะจึงคือว่าสาคัญ ให้เข้าใจแล้วมัน ส, สวยสุขสวยทุกข์ก็คือความรู้อันนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดนี้ที่บนออกมาทุกนอทุกน้อนี่ก็มาเอาความรู้สึกอันนี้เองเลยมันได้สัมผัสกับเรื่องที่ไม่เป็นมงคล แล้วมันก็คับแค้นใจทุกข์ใจหรือมันได้สัมผัสกับความผิดหวังในสินส่งที่ต้องการปรารถนาไม่ได้สมหวังมันก็นั่งปรับทุกข์ต่ตัวเองปรับทุกต่อคนอื่นทุกหนทุกหนอไงอย่เนี้ยนั่นแหละผู้สวยทุกข์ไม่ใช่ใครเอื่น ก็คือผู้รู้นั่นเองเนะียดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามมีสติควบคุมความรู้สึกอันนี้ไว้เสมออย่าให้สติมันห่างจากความรู้อันนี้เรายืนอยู่ก็กําหนดรู้ความรู้อันนั้นอยู่เดินไปก็กําหนดความรู้อันนั้นไว้ นั่งอยู่ก็กำหนดความรู้อันนั้นนอนอยู่ก็กำหนดความรู้อันนั้นประคองมันไว้อย่าให้มันคิดไปในทางบาปอากุศลและอย่าให้มันคิดสั่งสมกิเลสตัณหาอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเมื่อเรามาีสติควบคุมอยู่อย่างนั้นเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยจะ สร้างกิเลสตัณหาขึ้นได้เลยอืมแต่ว่าข้อสําคัญอันหนึ่งคือว่าความชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่แหละสําคัญแท้ๆถ้าจิตนี่ยังชอบใจกับความอยากความปัรถนาหรือกับกิเลสยังชอบใจกับความโลภความโกรธความหลงอ ย, อยู่นี่นะ ชาตินี้ทางชาติมันก็ละไม่ได้เลยชาติหน้าต่อไปก็ละไม่ได้เพราะชอบมันอยู่นี่เมื่อชอบมันอยู่มันจะยอมละอะไรเ่ามันก็ไม่ทำความเพียรละมันแหละแบบนี้มันก็จูงใจให้ใช้กายทำชั่วพูดชั่วไปถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงทำล่วงวินัยอย่างที่พูดกันมาแล้วนั่นแหละ นี่ก็เพราะมันมันชอบความชั่วนี้มันไม่ยอมละความชั่วนั้นนะมันจึงได้ร่วงทร ร, ร่วงวินยัยบาปก็ยอมบาปอย่างนี้นะจะไปตกนระกกี่หลงก็ยอมไปนี่นี่สำคัญมากนะให้สังเกตดูจิตใจของใครของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นไหม มันชอบกับกิเลสตัณหามันไม่ชอบทำไม่ชอบวินัยเหลือมันยอมทุกข์เพราะกิเลสตัณหาหรือว่าไงจิตเนี่ยต้องเพ่งดูตัวเองต้องถามตนเองดูนั่นเนี่ยจะให้คนอื่นนั่นถามไม่ได้หรอกตนเองถามตนเองแต่ตนเองจะตอบตนเองว่ายังไงอ่ะ ใจนั้นชอบกิเลสหรือว่าชอบธรรมะ อ, มอย่างนี้แหละถ้ามันชอบกิเลสมันก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ไม่สำรวมตนแหละล่วงศิลล่วงธรรมคำสอนของพระติเจ้าไปไม่มีความละอายแก่ใจเลยไม่มีความกลัวที่ความชั่วที่ตัวทำนั่นมันจะสนองมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ไม่คิดนึกเลยนั่นพระพุทธเจ้าจึางตรัสว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามกในอุปกิเลส16หกประการนั่นนองคนเรานั้นเมื่อมีความปรารถนาลามกอยู่ในใจแล้วแน่นอนแหละมันไม่ยอมฝึกตนหรอกไม่ยอมดัดตนไปตามธรรมตาวินยัย ถ้าวินัยข้อใดตนชอบใจก็รักษาถ้าข้อใดตนไม่ชอบใจเราก็ไม่รักษาเลยล่วงไปได้นี่คนปัถนาลามกเป็นอย่างนั้นแหละนั่นแหละลองสังเกตดูจิตใจของตนทุกคนว่าเป็นอย่างนั้นไหม มันปรารถนาลามกอย่างนั้นไหมหรือไม่ปรารถนายมอมตนเองแหละรู้ตนเองได้เป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกเมื่อตอนไม่ปรารถนาลามกตนก็รู้ตนก็ตอบตัวเองได้แล้วก็รู้ตัวเองว่าตนไม่ปรารถนาลามกจกริง ปาถนาความดีความชอบปาถนาอยากเป็นคนดีในพระพุทธศาสนานี้ถ้าเป็นนักบวชกดขอให้เป็นนักบวชที่ดีขอให้มีความเพียรละกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปถ้าเป็นคารื้อหัดผู้นับถือพระพุทธศาสนานอย่างนี้ ก็พยายามสำรวมตนไม่ล่วงสิขาบทวินัยที่ตนสมทานมาแล้วต้องเคารพต่อทมต่อวินัยจริงๆแม้ว่ามันจะตายเพราะปฏิบัติตามทมตามวินัยก็ยอมตายลองตาย ถวายชีวิตบูชาพระธรรมวินัยในพระศาสนานี้ลองดูสักชาติเป็นยังไงอะ่ะนี่ต้องถามตัวเองดูสิเราจะยอมถวายชีวิตบูชาพระธรรมวินัยด้วยการปฏิบัติตามจริงจังไม่ล่วงเกินข้อที่ทรงห้ามพยายามทําตามต่อแต่แต่ข้อที่ทรงอนุญาต อย่างนี้นะใจของเรานนัเป็นอย่างนี้ไหมในปัจจุบันนี้นั่นต้องดูดูจิตใจตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช้ได้อก็จัดเข้าเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเดินตามรอยบาทของพระศาสดาจริงๆเราต้องทบทวนดู วันที่พระองค์เสด็จไปปดินิพพานเมืองกุสินารานั่นนะไม่มีอะไรมีแต่บริขารแปดเท่านั้นเองที่ติดตัวกับพระองค์ไปและพระสาวกทั้งหลายก็มีเท่านั้นแหละไม่ได้หอบเอาเงินเอาทองอะไรไปเลยและสิ่งของที่เขาถวายต่างๆนั้น ก็คงจะอยู่ในพรคคันทกุฎีนะั่นหมดเลยนะเพราะองค์ไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยนอกจากบาตรและตาตัยจีวร น, นะนั่นแหละอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะพระองค์แสดงตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษให้พระสาวกทั้งหลายได้เห็นจนกระทั่งวันปรินิพานนะ หากเราเป็นสาวกของพระองค์นะมันต้องนึกต้องพิจารณาให้เห็นว่าผู้เป็นครูเป็นศาสด า, า, าของเรานะพระองค์เป็นอยู่อย่างไรประพฤติอย่างไรอย่างนี้ต้องมันนึกใส่ใจใ บ, บ่อยๆมันนึกเตือนตนเสมอถ้าเราไม่มันนึกถึงปฏิปทา ของพระศาสดาซึ่งทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัทมาแล้วเราจะต้องออกนอกรูนอกทางแน่นอนเ อ, อกิเลสนั่นแหละมันจะพาดันออกนอกรูนอกทางนอกธรรมนอกวินัยออกไปเ อ, อเป็นอย่างนั้นถ้าเราหมันนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกที่ ท่านเป็นผู้บรรลุมรรคธรรมวิเศษได้มานั่นะท่านบระพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถ้าเรามันนึกถึงบ่อยๆเข้าอย่างนี้มันก็มีกำลังใจในอันที่จะปฏิบัติตามธรรมวินยัยอย่างเคร่งครัดยอมยอมถวายชีวิตบูชาอย่างที่ว่ามานั่นแหละ แม้จะตายด้วยการปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี้ก็ยินดียินดีตายดีกว่าตายอยู่นอกทมนอกวินัยก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละเราเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระเจ้านะไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เนี่ยผู้วดเข้ามาแล้วนะแล้วก็มา ร่วงทําโวงวิญญาเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นการทําลายพระพุทธศาสนานี่ไปเรื่อยๆแล้วผู้ที่คิดทําลายพระุทธศาสนานี่นับว่าได้รับบาปหนักพอได้เหมือนกันนะอืเป็นบาปหนักพอได้เหมือนกันเหมือนอย่างพระกับปิละภิกษุกับมารดากับน้องสาวแต่ครั้ง ศาสนาพระพุทธเจ้ากษัตระย์หนึ่งท่านเป็นผู้เรียนรู้ธรรมวินัยผู้หนึ่งในพุทธศาสนานี่แต่ว่ามีความเห็นผิดเป็นชอบไปปฏิบัติตามพระวินัยแต่สิ่งที่ตนชอบใจเท่านั้นทิ้งได้ที่มันขัดต่อความประสงค์ของตนไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้ว แถมยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดไปตามด้วยถ้าท่านผู้รู้ทั้งหลายแนะนําตักเตือนก็ไม่พอใจดุดาว่ากล่าวท่านไปเห็นพระผู้เป็นพระผู้เป็นพี่ชายท่านบําเพ็ญเพียรไปสําเร็จอรหันแล้วท่านมาตักเตือนอย่างนี้ก็ไม่ฟังยังด่าพี่ชายเข้าไปอีกเรยวด่าพระอรหันเลย ส่วนแม่กับน้องสาวก็เข้ากันกับพระลูกชายผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด่าพระด่าเจ้าไปสพิพุทธเพืออย่างนี้เมื่อตายแล้วก็พร้อมกันไปตกอเวจีมานรกนั้นแหละไม่ทราบบุญกรรมอะไรให้ได้หลุดจากอาเวจีมาเกิดเป็นปลาทะเพียนอยู่ใน น้ำแม่คงคาพวกหนุ่มประมงไปตกปลาก็ไปได้ปลาตะเพียนตัวนั้นมาเห็นว่าตัวมันเหลืองเหมือนทองคำก็เลยเอาไปทูลพระเจ้าปเสนีกุศลเมืองสาวธีพระเจ้าปเสนีกุศลเห็นปลานั่นแปลกๆ ก, ก็จึงให้คนเอาใส่ อาชนะอันหนึ่งแล้วมีน้ำรองเพื่อไม่ให้มันตายก่อนแต่ในตำราท่างกล่าวว่าเอาใส่เรือคงจะเป็นเรือขนาดเล็กมึงถามกันไปข่าพระาศาสดาไปทูลถามพระสัสดาว่าปลาเนี่ยมีสีเหมือนทองคำมันแปลกกว่าปลาจะเพียนอื่นๆถ้าบพระองค์สงสัยว่าไม่ทราบว่าจะ เป็นสัตว์นี่มาจากไหนกันแน่ของกันพระศาสดา จ, จึงได้ทรงแสดงชีวประวัติของปลาทะเพียนตัวนั้นตั้งแต่ครั้งเป็นกับปิละภิกษุแต่ครัง้งศาสนาพระพุทธเจ้ากระสปะอย่างที่แสดงให้ฟังมานั้นแหละกับแม่กับน้องสาว มีใจเป็นอกุศลช่วยกันทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากระสปะให้เสื่อมสูญไปตายแล้วพระตกก เ, เวจีมานรากแดยนี้อา น, นิสงส์ที่ได้สั่งสอนธรรมวินัยให้กุณลระุดกุลทิดาเหล่านั้นก็จึงให้ได้ หลุดจักอเวจีมามาเกิดเป็นปลาชะเพียนแล้วก็มีสีเหลืองเหมือนทองคำเพราะอาิสง์ได้สอนธรรมสอนดีในให้แก่พิกษุสามเนนอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละเนบันีข้าองค์เจ้าจึงได้ตรัสถามปลาชะเพียนตัวนั้นว่า เธอชื่อไรแต่เป็นภิกษุอยู่ปรานั้งก็ตอบพระองค์ว่าชื่อกาพิลาภิกษุเธอมาจากไหนเนี่ยมาจากอเวจีมานรกเมื่อจากนี้แล้วจะไปไหนจะกลับไปอเวจีมานรกอีกเมื่อตอบพระองค์อย่างนั้นแล้วเสียใจมาก ก็สะบัดหัวตัวเองกระทบกับแคมเรือแล้วตายจิตวิญญาณของปลาหนึ่งก็ไปเกิดในเอเวกีมาน ร, รกอย่างนี้อันนี้แหละให้พากันจำเอาประวัติของกัปพิลพิกจุนี่ไว้การที่บวชเข้ามาแล้วนะ ทำตนเป็นคนหัวดือ้อกระร่างกระเรีองต่อทำต่อวินยัยไม่เคารพไม่นอบน้อมไม่สลาดทิฏฐิมานะลงเพื่อปฏิบัติตนให้ตรงต่อทำต่อวินนยประพฤติพระวินัยตามใจชอบตามกิเลสตนไในหัวใจตัวเองมันก็เป็นการไป ทำลายพระพุทธศาสนาก็เป็นบาปหนักตายแล้วจนถึงไปตกอเวจีมารรกรก น, นูนบุคคลผู้ทำลายศาสนานี่นะไม่ใช่บาปน้อยๆนยนะะนั้นั่นเเมื่อเราบวชเข้ามาอย่างนี้แล้วเรารู้เหตุผลดังกล่าวมานี่เราให้พากันทำความเพียรจะได้พม่อ ทำความเพียรฝึก้นทรมานต้นอย่าให้กิเลสตัณหามันครอบงำย่ำยีได้ก็เพราะปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีนั่นแหละมันจึงร่วงทรร่วงวินยัยโดยไม่กลัวต่อทุกต่อโทษอันใดที่มันจะตามสนองต่อไปเลย อ, อันนี้กิเลสตัณหาเมื่อมัน สะสมไปมันหนาแน่นเข้าไปแล้วมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะยไม่กลัวบาปกลัวทุกข์กลัวนรกกลัวเป็นเปรตเป็นผีไม่กลัวทั้งนั้นเป็นอะไรก็เป็นไปหมดนี่นะคนผู้ที่ตกเป็นทาา ข, ของกิเลสตัณหาแล้วมันยอมไปตกทุกข์ได้ยากลําบากทุกประการเลยก็เหมือนอย่างพระเทวทัตต์ น, นี่ เมื่อโกรธให้พระพุทธองค์อย่างรุนแรงแล้วก็ผูกพยาบาวไว้เลยมันจะไปตกนรกอเวจีกี่ขั้งกี่หนกี่ชาติกี่ภพก็ย่มไปก็จะขอให้ได้ทำลายคนผู้นี้ก็แล้วกันนะอย่างนี้นะมันผูกอาคาดไว้อย่างนั้นนะเมื่อทำลายพระองค์ที่ใดก็ไปอเวจีที่นั่นเลย ตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่น้นเนะี่นไม่ใช่ว่าจะไปอวิจีตฉพาะมาทำลายพระพุท ธ, ธ, ธ, ธองค์แต่ตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นหามีได้เนี่ยนี่ใหพากันคิดให้พากันเตือนตนเองเข้าไปแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเมื่อรู้สึกตัวได้อย่างที่ว่านั่น อยากเป็นคนมีความสุขอยากค้นจากทุกข์อยากพ้นจากอำนาจของอวิชชาสัณหาความโลภ ค, ความโกรธความหลงมานะทิฐิต่างๆมันนี่นะเมื่อเรามีความปรารถนาอยากพ้นจากกิเลสเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตรงตามธรรมตาวินัยจริงๆสำรวมตามพระวินัยแล้ววันนี้ก็สำรวมธรรมะ ที่บางเกิดขึ้นในจิตใจธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลน่ะสำมรวมให้มั่นคงอยู่ในจิตใจเช่นเมตตากรุณาดังที่เคยพูดมาบ่อยนั่นทำมันข้อนี้สำคัญมากไม่ใช่น้อยนะคนเราถ้าขาดเมตตากรุณาทาแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดำอมหิทธไป ก็ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วชีวิตของผู้นั้นนะมันก็มีแต่ตกต่ําไปเรื่อยๆสิอันมันเจ็บเจริญงอกงามถูกคุณงามความดียิ่งๆขึ้นไปไม่ได้แล้ว น, น, นะนะเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตของผู้ใดขาดเมตตาความปรารถนาให้ตนเองและสัตว์อื่นบุคคลอื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่แล้ว ย่อมเสียผู้เสียคนไปจริงๆทำตนเป็นคนดีไม่ได้หรอกอเดี๋ยวนั้นคุณธรรมเหล่านี้ให้มีอยู่ในใจเสมอๆต้องเจริญให้เกิดให้มีขึ้นกับสติสัมปชัญญะทันติความอดทนเหมือนนี้นะเป็นคุณธรรมช่วยรักษาสมาธิไว้ไม่ให้เสื่อมสินั่นแหละ เป็นคุณธรรมรักษาปัญญาไว้ให้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆไม่เสื่อมสูญถ้าขาดที่ดีอดตะธรรมความสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปต่อกรรมความละอายแก่ใจในอันจะทําความชั่วแล้วอย่างนี้นะมันก็ทําความชั่วได้ทุกอย่างเช่นนี้มันจะเจริญได้ยังไงแล้วนะเนี่ย เมื่อขาดเมตตากรุณาแล้วมันก็เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นสร้างเวไทไสตัวเองก็หาความสุขไม่ได้เลยเมื่อ ข, ขาดความอดทนแล้วมันก็กลายเป็นคนใจน้อยใจดำโกรธง่ายเป็นคนเจ้าทุกข์คนขาดความอดทนนะมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมันก็ทุกข์ใจครับแขนใจอยู่งั้นแหละ นี่ถ้าบุคคลหัดอดหัดทนมีใจคอหนักแน่นเป็นสมาธิอยู่แล้วอย่างนี้เรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ค่อยวันไหวง่ายๆมันก็อดก็ทนได้อย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้กิเลสครอบงาําจิตใจไม่ได้เลยวันนี้นะนั่นแหละบุคคลผู้ที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ มันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ประกอบศีลประกอบสมาธิประกอบปัญญาเรียกว่าสนับสนุนศีลสมาธิปัญญาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้